ส่วนปหานะประิญญาก็คือมุนีพิจารณาแล้วอย่างนี้ย่อมละสันบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งฉันธราคาในสัญญาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายฉันธราคาในสัญญาใดเธอทั้งหลายจงละฉันธราฆาในสัญญานั้นเสียสัญญานั้นจักเป็นของอันเธอทั้งหลายละแล้วมีมูลรากตัดขาดแล้วทาให้ไม่ ไม่มีทําให้ไม่มีที่ตั้งดุดตาลยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาด้วยประการอย่างนี้ที่กล่าวเป็นปหาณาปริญญาเนี่ยนะเรียก ว, ว่าม่งให้ละให้ตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยเนี่ยนะทีนี้ผู้ที่จะละเยื่อใยตัดฉันทราคะในสัญญาได้จริงเนี่ยจะต้องเห็นภัยของสัญญาอย่างแรงกล้าอ่านะว่าสัญญาเนี่ยมันเป็นภัยยังไงเหมือนพยับแดดนะ รู้ว่าโ อ, อเนี่ยพยับแดดนะสัญญาไม่ต่างอะไรจากพยับแดดเลยเมื่อที่ผู้ที่เห็นพิษภัยของสัญญาเนี่ยแสดงว่าตามดูสัญญามานานเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าที่เราตำหนิใครสักคนหนึ่งว่าเลวนะเพราะเราเก็บข้อมูลความเลวของคนนั้นเอาไว้มากแลว้วอ่ะสัญญาก็เหมือนกันที่เราบอกว่ามันมีโทษเนื่องจากว่าเก็บข้อมูลในความเลวร้ายของสัญญาเอาไว้เต็มหมดเลยนะ การเจริญวิปัสสนาก็คือการตามดูความชั่วร้ายของสัญญาโดยประการทั้งปวงอ่ะนะแต่ทีนี้ที่ตามดูได้ขนาดนั้นแสดงว่ารู้จักสัญญาเป็นอย่างดีนัผู้ที่รู้จักสัญญาเป็นอย่างดีแล้วติดตามดูความเลวร้ายความชั่วร้ายของสัญญาจนถึงกับเบื่อหน่ายสัญญาอย่างเมื่อเบื่อหน่ายอย่างนี้จึงจะตัดฉันทะฆ่าในสัญญาได้เพราะฉะสัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเบื่อหน่ายกันง่า ย, ายๆนะเพราะท่านเปรียบเทียบสัญญาขันเป็นต้นเนี่ย เหมือนกับบุรุษคนหนึ่งที่มีพัญญาที่ตัวเองรักมากเนี่ยนะแต่แล้วก็มีผู้อื่นมาแนะนำบอกว่าพัญญาของคุณเนี่ยยักนะยากนะแล้วก็ไม่เชื่ อ, อไม่เชื่อคุณทำอย่างนี้น ะ, ะคุณดูเขาสิเขาเป็นยังไงเนี่ยนะก็เรียกว่าเริ่มทำวิจัยใคร่ครวนติดตามชีวิตของเขาอย่างตลอดสายเนี่ยนะแล้วก็ตามดูตามเก็บในที่สุดเนี่ยนะเมื่อตามดูจนเพียงพอแล้วจึง บอกหย่ากันได้นีนะอันไม่ใช่ถ้าธรรมดานี่ไม่ใช่จะหยากันง่ายๆใช่ไหมยังก็ต้องรู้พิษภัยของสิ่งนั้นะเป็นอย่างดีจึงจะหย่าได้เพราะการตัดฉันนราคาในสัญญาก็เหมือนกับการบอกหยาเนี่ยนะการบอกหย่าทีนี้ไม่ใช่จะหยากันได้ง่ายๆนะใช่ไหมผู้คู่ผัวตัวเมียในโลกนี้โดยรวมๆแล้วไม่ใช่จะหยากันได้ง่ายๆฉันไดสัตว์ทั้งหลายที่ติดข้องในขันห้าเนี่ยหนักกว่านั้น ผู้ที่เลิกผัวเลิกเมียเนี่ยนะมีให้เห็นถมถื่นไปในยุคนี้แต่ว่าผู้ที่ตัดฉันราคาในสัญญาหาได้ยากเต็มทีเนี่ยนะหาได้ยากเต็มทีมั้นผู้ใดตัดฉันราคาในสัญญาได้นั่นแหละคือนาบุญของโลกแล้วละ่ะเนี่ยนะกำหนดรู้สัญญาแล้วเนี่ยนะก็คือทําปริญญาในสัญญาสามอย่างนี้แล้วก็ข้ามโอคะข้ามขึ้นข้ามพึงข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้น ล่วงเลยเก้าล่วงกามโมคะเนี่ยนะกามโมฆะกามเนี่ยคือตัวโลภะเนี่ยมันทําให้จมลงในวะะัฏะภาวะโอฆะเนี่ยนะมันทําจมให้จมลงในวะะัฏะทิฏฐิเรื อ, อวิชาเนี่ยทาให้จมลงในวะะัฏฏะท่านผู้ที่ทําปริญญาสามอย่างนี้ก็จะสามารถข้ามกาโมคะภาวะโอฆทีโ่โถฆะวิชโชฆะคือกิเลส ท, ที่ทําให้จมลงในวะะัฏะนี่ในอัตถกถาท่านอธิบายคําว่า กาโมคะเนี่ยนะเอาไว้ว่าคําว่าอวิชชาเนี่ยทาให้ประสบในสิ่งที่ไม่ควรประสบเียกว่าวหรือไปให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้เนี่ยนะถามว่าอะไรอ่ะที่ไม่ควรได้ไม่ควรประสบความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะมันไม่ควรได้ไม่ควรทําไม่ควรประสบหรอกอวิชามันให้ทําอย่างนั้นแหละความดีทางกายวาจาใจเนี่ยโอ้เป็นสิ่งที่ควรได้ควรทําควรบําเพ็ญเป็นอย่างมากอนะอวิชาไม่ให้ทำหรอก ถามว่าโทสะนี้ควรโกรธไหมควรโกรธไหมไม่ควรเมตตาควรเจริญไหมควรอวิชามันทำให้โกรธต่อไปอย่าไปเจริญนะเมตตาอสุภะกรรมฐานนี่ดีไหมดีการติดตามด้วยอำนาจตันหาเนี่ยดีไหมไม่ดีแต่อวิชามันบอกว่าเออเนี่ยนะดูไปนะเขาสวยนะดีนะอนะ แล้วก็อสุภะบอกอย่าพึ่งเจริญเลยเนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันจะทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ศีล ส, สมถาวิปั ส, สนาเป็นต้นควรเจริญควรบําเพ็ญนะอวิชาไม่ให้ทำหรอกให้ไปทําสิ่งที่ไม่ควรทํานั่นแหละอวิชชานี้ทําอัดแห่งกองของขันทั้งหลายไม่ให้เห็นะนะปกปิดไม่ให้รู้ว่าขันห้ามันเป็นกองนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบนันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประนีตใกลใกล้อะนะ นั่นมันเป็นกองนะเป็นกองที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอวิชามไม่ให้เห็นออกมันปิดเอาไว้นี่นะอายตนะนี่มันต่อกันนะตากับตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโพธะพระใจกับธรรมมรมเนี่ยนะเชื่อมต่อให้มันวัตตะสงสารเนี่ยมันยาวนานไปอย่างนี้แหละวัตตะมันก็เชื่อมกันลักษณะนี้เลยแหละอวิชาบอกอย่าเห็นเลยเนี่ยนะปอกปิดปิดบังเอาไว้มันเพลินออกเนี่ยนะให้มันดูไปชมไปฟังไปแล้วก็ อวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นความเป็นของว่างเปล่าของธาตุนั่นะตาเนี่ยว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนนะสีว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนนนะจากขววิญญาณธาตุก็ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนนนะหูเสียงโสตวิญญาณธาตุเนี่ยว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนนะจมูกเป่นคานะวิญญาณธาตุก็ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืน กายโพธะภากายยวิญญาณธาติก็ว่างจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตามโนธรรมมโนวิญญาณเนี่ยนะก็ว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราว่างจากความงามว่างจากความสุขเนี่ยนะว่างจากความยั่งยืนมันอวิชชาบอกอย่าไปเห็นเลยเนี่ยนะมันดีออกเนี่ยนะมันเรามันของเรามันอัตตาของเราเนี่ยนะมันให้เห็นตรงกันข้ามหมดละ แล้วก็ไม่ให้เห็นความเป็นใหญ่ว่าตาเนี่ยมันเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้รสกายเนี่ยเป็นใหญ่ในการรับกระทบโพธภะใจเนี่ยเป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์อ่ะนะสุขอิทธินีความเป็นใหญ่ในความเป็นหญิงภุริสินีเป็นใหญ่ในความเป็นชายสุขนะเป็นใหญ่นะความสุขทางกายเนี่ยก็เป็นใหญ่ความทุกข์ก็เป็นใหญ่เนี่ยนะ โสมนัตโทมนัตเนี่ยสุขทุกข์เป็นใหญ่ทางกายโสมนัตโทมนัตอุเบคาเป็นใหญ่ทางใจเนี่ยคืออวิชชาเนี่ยมันทําให้ไม่เห็นความเป็นใหญ่ของสิ่งเหล่านั้นหรอกอ น, นะคือไม่ให้รู้จักความเป็นจริงของอินทรีย์ที่เป็นใหญ่ว่าอินทรีย์เหล่านั้นถ้าจะ ก, กําจัดนะต้องเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยอวิชชาปกปิดไม่ให้เห็นและก็ไม่เห็นไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ความจริงว่าทุกขเนี่ยบีดคั้นนะ สมุทัยเนี่ยนำเหตุเป็นตัวนํามาซึ่งกองทุกนะนิโรธเนี่ยสงบระงับจากกองทุกนะนี่พานนําออกจากอริยมรรคนาออกจากทุกนะอวิชาไม่ให้เห็นอันอวิชาเนี่ยสรุปไม่ให้รู้ขันอาญตนะธาตุอินทรีย์สัจจะแม้กระทั่งปฏิจจสมุปบาทอันอวิชาเนี่ยไม่ไม่ให้แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอวิชาเนี่ยเป็นตัวที่พาเล่นไปในกําเนิดสีเนี่ยนะเกิดในคันเกิดในใครเกิดในเท่า เท่าคลายเกิดในสิ่งที่สกปรกผุดโตขึ้นเนี่ยทำให้เกิดในคติห้านรกเปรตอสุรกายสัตว์ปีรชานทําให้เกิดในภพสามกามาภพรูปภพอรูปภพทําให้เกิดในวิญญาณทิติสัตตาวาสให้แล่นไปในสงสารอันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะฉั้นภารากิจของอวิชามันทําไว้อย่างนี้แหละก็ถามว่าผลของอวิชามันผลิตขึ้นมาคืออะไรคืออย่างที่เราเห็นเราได้ยินนี่แหละคือผลผลิตของอวิชา สิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเรารับรู้เรานึกคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยคือผลผลิตของอวิชชาละเนี่ยนะก็คือสรุปว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้โดยมากไม่รู้อริยสัจที่เขาเป็นเช่นนี้ความชั่วทั้งหลายนะคนชั่วที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รับรู้่คือคนที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแปลกใจหรอกที่ได้ฟังว่าเขาทําชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่เห็นอริยสัจถ้าเขาเห็นอริยสัจเนี่ยฆ่าให้ตายเขาก็ไม่ทํา ให้ทําปาณาติบาตฆ่าให้เขาตายเขาก็ไม่ทําให้ทำมาทินนาทานการเมสุมิฉาจานมุสาวาตเดิมสุราเมรัอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นเขาทําไม่ได้แต่เนื่องจากเขาไม่เห็นอริยสัจเนี่ยอะไรมั่งเขาทําไม่ได้เอาเดีนะโดดเหวตายเขายังทําได้เลยอ่ะฆ่าตัวตาย ต, ตัวเองซึ่งรักที่สุดเขายังทําได้นะสําหรับผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยทาได้สารพัดอะ่ะเอาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหัน์อย่างพระเทวทัตก็ทําได้ ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อก็ทำได้ทำสงให้แตกแยกกันก็ทำได้เป็นมิจฉาทิฐิสารพัดทิฐิในโลกก็ทำได้อะะั้นถ้าไม่เห็นอริยสัจอย่างเดียวเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะในโลกเนี่ยฉะนั้นเมื่อทำกรรมอย่างนั้นก็สามารถที่จะเกิดในนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานเกิดได้ทุกหนทุกแห่งเกิดในป่าเกิดในเมืองก็ได้หมดอลยนะเกิดใต้ดินหรือเกิดอยู่บนดินหรือเกิดผิวดินเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำพาไปเกิดได้หมดนะอวิชชาเนี่ยมันร้กาศมากเนี่ยนะ แต่พูดแค่นี้มันยังไม่กระเทือนลอกเลยนะเนี่ยนะมันก็เรียกว่ายอมโง่ต่อไปอย่างนั้นก็สังเกตว่ากอดเรามันปูตุชนน่ะคำว่างั้นนะนี่ยคือพวกอนุรักษ์นิยมจะเป็นอย่างนั้นนละอนุรักษ์ความเป็นปูตุชนเอาไว้เนะนะขอดเรามันเป็นปูตุชนคำว่างั้นนะโอย้ยแสดงว่าอนุรักษ์มากห่วงธนุถนอมมากเลยนะให้ข่ามันมากให้เกียรติแล้วเกินเนี่ยนะยกย่องไปที่ไหนก็ชูโรงในความเป็นปูตุชนอย่างนั้นนะนะ่ มันเวลาเดินชนอะไรก็ชั้นตาบอดอะนะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนั้นเลยมัอวิชชาเนี่ยทาให้เล่นไปในสตรีบุรุษเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่โดยประมัดไม่ให้เล่นไปในขันเป็นต้นที่มีอยู่โดยประมัดนะมันคิดแต่เรื่องยิงเรื่องชายเรื่องเข้าเรื่องเล่าเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องทั่วไปอะแต่ไม่ให้คิดว่านั่นขันนั่นอายตนะนั่นธาตุนั่นสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทไม่ให้คิดแบบนี้หรอก สรุปว่าไม่ไม่พาให้คิดตามพระพุทธเจ้าอะ่ะให้พาไปคิดตามปุตุชนสอนกันอะ่ะคิดดูนะคําคของปุตุชนพูดนะเราพูดตามไม่นานเป็นเลยใช่ไหมแต่พูดตามพระอรหันต์พูดยากแต่ยิ่งพระไตรปิฎกแล้วพูดตามยากอ่ะนะั้นจําตามยากอ่ะนะแต่ถ้าเป็นเพลงเนะี่ยจําไม่กี่รอบเดี๋ยวร้องตามได้เลยขนาดนั้นอะนะ่ะคิดดูอันอวิชชาเนี่ยมันตกปิดแล่นไปในเรื่องที่ไม่ควรไปอ่ะนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าวิชาเนี่ยปกปิดปฏิจจสมุปาทเนี่ยนะปกปิดแม้กระทั่งวัตถุและอารมณ์ของจักขู่วิ ญ, ญญาณไม่ให้รู้ตามเป็นจริงว่าอาศัยจักขู่กับรูปเกิดจากขูวิ ญ, ญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเนี่ยแะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลเนี่ยมีด้วยอาการอย่างนี้นะหูได้ยินเสียงเนี่ยนำเกิดในพบใหม่นะจมูกรูกลิ่นเนี่ยเป็นเหตุแห่งการเกิดในพบใหม่ลิ้นรู้รสเนี่ยเป็นเหตุการเหตุเกิดแห่งพบใหม่กายรับกระทบโพธพภะใจนึกคิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งพบใหม่ทั้งนั้นเลยนะอวิชชาเนี่ยมันปกปิดไม่ให้รู้หรอกเนี่ยตาเห็นก็เห็นอยู่เท่านี้แหละ ก็บอดตาใสดีดๆเห็นอยู่แค่เฉพาะหน้าไม่มีปัญญาร่วงรู้อดีตร่วงรู้อนาคตทั้งอดีตอนาคตอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุ ท, ทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคเนี่ยวิชาไม่ยอมให้เห็นออกติดอยู่แค่นี้แหละนั้นก็ต้องผู้ที่ทำปริญญาเนี่ยนะผู้ที่ทำปริญญาในสัญญาในภาษะเป็นต้นหรือทาปริญญาในขันห้าเบสเซจเนี่ยเขาจะข้ามโอคะ เหล่านี้ได้เนี่ยนะโดยเฉพาะข้ามอวิชชาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการคิดเพื่อที่จะออกจากอวิชชาเนี่ยนะคือการทําปริญญาเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะแต่ทําได้มีผู้ที่ทําได้ภาษาริปุตพระโมค ข, ขลา น, พ า, พ า, น, น, พนาพระมหากัสปะพระนนทพระนุรุทธะพระมหากัจยานะพระมหาโกธิตะเป็นต้นท่านทําปริญญาเหล่านี้ได้หมดแหละสําคัญว่าคนยุคนี้ถ้ามีศรัทธาที่จะทําปริญญาก็สามารถทําได้เนี่ยนะสำคัญว่ามีศรัทธาที่จะทําหรือเปล่าเท่านั้นแหละ ในพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ามุนีไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายนั่นแหละคือผู้ที่ทําปริญญาในสัญญาแล้วเนี่ยข้ามโอคะก็ไม่เข้าไปยึดถือยึดติดไอ้คำว่ายึดถือหมายถึงยึดถือด้วยอํานาจตันหากับทิฏฐินั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลุงเป็นปะเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องอ่ะนะไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายถึงว่าไม่มีตันหาไม่มีไม่มีทิฏฐิกับทุกอารมณ์เลยนะ ไม่ยึดถือด้วยอํานาจตันหาว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะหรือไม่ยึดถือด้วยอํานาจของทิฏฐิมีกระทั่งสกายยะทิฏฐิยี่สิบมิชฌาทิฏฐิมีวัตถุสิบอันตักคาหิกะทิฏฐิสิบหรือว่าทิฏฐิหกสิบสองเนี่ยมันก็ไม่ไปยึดถือด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิอะไรเลย